การออกกําลังกายเนี่ยเป้าหมายเพื่อที่จะให้รู้จักกายานุปัสสนาให้ชัดทางในส่วนที่เป็นสุขส่วนที่เป็นทุกข์ในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าดูแลรูปธรรมรูปให้มันเป็นธรรมนามให้มันให้มันเป็นธรรมแล้วรูปธรรมนามธรรมถ้าเราดูแล รูปนามไม่เป็นธรรมเขาเรียกว่ารูปโรคนามโรคหรือรูปทุกนามทุกเพราะมันไม่เป็นธรรมมันจึงเป็นทุกม์จึงเป็นโรคฉะนั้นทำไมมันจึงเป็นโรคเพราะมันไม่เป็นธรรมทีนี้รูปธรรมหมายถึงคำว่าธรรมหมายถึงพอดีนะฮะพอดีคือเรียกว่าธรรม ทำให้พอดีถ้ามันสุดตรงไปทางหนักเกินไปก็ไม่พอดีก็ไม่เป็นธรรมทำให้เกิดทุกข์ถ้าสุดตรงไปในทางไม่ไม่สบายสุดตรงทางสบายเรียกว่าสุข เ, เกินไปสุดตรงทางไม่สบายเรียก ว, ว่าทุกข์เกินไปไอ้ส่วนที่เกินเรื่องไม่พอดีเนี่ยมันก็เรียกว่าสุดตรงพระพุทธเจ้าบอก อันนี้แล้วนี่เองให้ละทางสองทางนี้เสียแต่บอกอย่างไรอย่างไรก็ละไม่ได้เพราะไม่ยังไม่พัฒนาตัวปัญญาขึ้นมาต้องเป็นสัมปัญญาด้วยเป็นปัญญาที่ถูกต้องด้วยนะถ้าเป็นยาที่เป็นวิชาปัญญาเนี่ก็ทำให้คนตกนรกได้ลึกอะโลกตลตนรกทีเดียวเหมือนคนขุดนรกขุดนรก ฝังตัวเองขุดรูปฝังตัวเองหลักมันจะใช้สัมมวนภาษาไทยเนี่ยพราะงั้นการปฏิบัติในส่วนตัวเนี่ยเพื่อให้เราเห็นความขาดความเกินให้ชัดนั่งนานๆไม่สบายมันเกินหนักเกินเจ็บเกินปวดเกินร่างกายก็เป็นทุกข์ชัดใส่ละจิตใจก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะกายจริงๆมันไม่ทุกข์ถ้าไม่มีใจน่ะเพราะใจไปรับรู้ กายเป็นทุกข์ใจมันต้องเป็นทุกข์ด้วยบอกว่าผมเป็นทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์เนี่ยบางทีพิจารณาดีมันไม่ใช่กายทุกข์ใจก็ต้องทุกข์จะทุกข์แบบไหนเน่ยทุกข์แบบกายทุกข์แบบใจต่างก็ใจเป็นผู้รับรู้ที่นั้นส่วนเกินเดี๋ยวไปเรื่องสําคัญที่เราต้องลุกนั่งย่างเดินเเพื่อให้เห็นส่วนเกินส่วนขาดส่วนเกินสังกาดจึงชำนาญ นั่งนานเกินไปทำนานเกินไปเดินนานเกินไปนะก็ทำให้เกินน้ำหนักมันเกินแต่ถ้าหากสบายเนี่ยเขาว่าสบายเกินไปนี่หมายความว่าไม่ยอมรับความไม่สบายเลยคนนั้นก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะก็ไม่มีที่พึ่งเอาตัวไม่รอดเพราะไม่ยอมความไม่ยอมรับความลำบากคนบอกเออหนักแต่พอดี เราเคยดีนคำนี้ใช่ไหมเบาเออบาแต่พอดีไม่ใช่ไม่ให้หนักเล ย, ยแต่หนักแต่พอดีพอดีขึ้นเหมาะกับกำลังของเรานะหนักแต่พอดีเบาแต่พอดีเพราะนั้นคำเราเนี่ยเป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจวันเป็นคอมมอนเซนต์มากๆแต่พอมาในภาคปฏิบัติที่เป็นประมาหรือเป็นนามธรรมเรากับใช้ไม่ถูกอืมตัวนี้นั้นเองเราก็จึงเรียนรู้ การขาดการเกินจากอิริ บ, บทตต่างๆก่อนยืนให้พอดีเดินให้พอดีนั่งให้พอดีนอนให้พอดีถ้ายืนเดินนั่งยืนเดินนั่งนอ น, น, อนเกินพอดีมันก็ไม่สบายทีนี้เกินพอดีในทางฝ่ายสุขและเกินพอดีในทางฝ่ายทุกเกินพอดีในทางฝ่ายเกินฝ่ายขาด และเกินพอดีทางส่วนเกินแลเออคนนี้ขาดขาดเกินเกินนะไม่พอดีเลยทาอะไรก็มากเกินไปอะไรทํานองนี้ยเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันมากมายแต่ว่าพอในภาคปฏิบัติปรามัตดแล้วเนี่ยเรากลับใช้ไม่ถูกในทางวัตถุนเนี่ยเราพยายามหาความพอดีถึงกับมีวิศวกรขึ้นมาหาความพอดีมีผู้จัดการขึ้นมาหาความพอดีมีกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาหาความพอดี แต่มันก็ยังไม่พอดีมันก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายเนี่ยนเนี่ยหาความพอดีในฝ่ายสมมุติที่ว่ายากแล้วเนี่ยมันที่ดังด้า น, านปรมัดคือจิตใจของเราก็ายิ่งยากไปอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะต้องทุกข์เพราะาหาความพอดีไม่เจอหรือเจอแต่ว่ามันยังไม่เต็มพี่ไม่เต็มร้อยะะเพฉนั้นเองมันใช้บูรณาการไปได้ทุกๆ ก, กรณีทั้งฝ่าย คดีโลกและคดีธรรมนั่นเองการที่เราออกกำลังกายเอามาก็มาศึกษาว่าถ้ามันสม ด, ดุลแต่พอดีนะไม่ <c oughs> ทำให้ร่างกายหนักเกินไปแต่ก็ต้องให้มันหนักแต่อย่าให้มันเกินถ้าไม่ยอมหนักเลยเนี่ยชีวิตก็ไม่รอดไม่ยอมทำการทางานที่เกียรติประเทศชาติก็ไม่รอดนะให้หนักแต่พอดีหนักเต็มกำลังอนะ่ะ เอาที่มาเต็มกําลังเบาแหละเบาได้พอดีเหมือนกันอย่าเบาเกินไปถ้าเบาเกินไปขี้เกียจอีกติดสบายไม่ยอมทําอะไรกินแรงเพื่อนไปทางนั้นอีกสังคมก็ไม่ยุติธรรมละเกิดการกุ้งกันก็ช่วยชนเกิดการพ น, นันบอนการพนันเกิดขึ้นเพราะคนนั้นไม่อยากทํางานหนักอยากทํางานสบายๆแต่ได้ผลตอบแทนเยอะนะอันนี้ก็ติดในทางเกิน ในส่วนในภาคปฏิบัติก็เช่นเดียวกันทั้งสมถะทั้งวิปัสนาถ้าหาส่วนพอดีให้เจอแล้วก็มีผลดีทั้งสองฝ่ายสมถะก็พอดีวิปัสสนาก็พอดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่เจริญในลักพุทธศาสนาท่านให้เจริญวิปัสสนาก่อนสมถะนะสมาธิฏฐิและสมมาสกัปะเป็นองค์แห่งปัญญา <c oughs> สมถฐาให้มาทำหลังสุดได้สร้างไปสมารสมาธิหลังสุดเลยใช่ไห ม, มเพราะนั้นสมาธิทิเราต้องมองให้ชัดก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเราจะหาความพอดีของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยหาตรงกลางมันตรงเนี่ยถ้าเราไม่มองทั้งสุดทั้งสองข้างซะก่อนเนี่ยล้วก็คลาหาตรงกลางไม่เจอต้องดูส่วนสุดทั้งสองข้าง เกินพอดีเต็มที่ของเรามันแค่นี้นะเกินพอดีทุกเต็มที่เราได้ทนได้แค่นี้นะสุขเต็มที่เราทนได้แค่นี้นะเราก็เริ่มหาตัวกลางเป็นล ะ, ะเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดอะเกวรสะทุกขคันทัสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติทุกขคันทสังวตตุนะสังวตตุ ขอการทําที่สุดแห่งทุกข์นะใ ห, กททหกนน้การทําที่สุดแห่งทุกขทั้งชิ้นนี้เทินการทําที่สุดแห่งทุก์หมายถึงว่าดูดูที่สุดทั้งสองขั้วให้เจอขั้วสุขคั่ทุกข์นะให้เห็นที่สุดของมันก่อนนะขอให้ภมอาจา ร, รย์ทั้งหลายนี้จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งชิ้นนี้เทินถ้าเราไม่เห็น <c oughs> ที่สุดของเราก็จะหาตรงกลางไม่เจอเพราะฉะนั้นเราก็นั่ง ปฏิบัติแล้วก็จะเห็นความทุกข์มันเพิ่มขึ้นน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นตามต่โพกตามร่างกายของเราเลื่อยเรื่อยเต็มที่แค่ไหนเต็มที่แค่ว่าร่างกายทนได้จิตใจมันไม่ไม่มีเครื่องวัดแน่นอนเลยนะจิตใจไม่เป็นานมามธรรมเราไม่รู้ไปวัดตรงไหนของมันนะจิตใจนะ เพราะนั้นเอาร่างกายเรารับได้แค่ไหนรับได้แค่ว่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นทางกายเราพอทนได้ถ้าทนไม่ได้น้ำหนักนั้นเกินไปสู่ใจตรงนั้นเป็นเหตุแหละเพราะส่วนเกินเป็นเหตุให้ใจต้องรับเศษเรียกว่าเศษกรรมเคยได้ยินไหมเศษกรรมเรียกวิบากนะวิบาก <c oughs> เราต้องชดใช้วิบากกรรมที่ไม่สุดไม่สิ้นเพราะเราสร้างมันตลอดเวลาเพราะนั้นมีทางเดียวที่จะหมดกรรมหมดเวณหมดกรรมคือหาความพอดีระหว่างกายกับใจให้เจอก่อนเพราะเป็นส่วนใกล้ที่สุดในตัวเราคือกายกับใจถ้าเรายังไม่พบความพอดีในกายในใจนี้เราก็จะไปใช้ชีวิตขาดขาดเกินเกินกับเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งนั่นคือวิบากมันเกิด แต่ถ้าหากว่าเราไม่สแสวงหาสติปัญญาก่อนเนี่ยเราก็จะหาความพอดีได้ยากนั้นระหว่างแสงสว่างกะดวงตาถามวันก่อนว่าควรจะหาอะไรก่อนท่านทั้งหลายก็ตอบว่าดวงตาถูกต้องเพราะสัมมาสติสัมมาทิฏฐิกละสัมมาสังกัปปะ มันเป็นดวงตาแต่สัมมาสติและสัมมาสมาธิมันเป็นแสงสว่างเห็นไหมแสงสว่างหาทีหลังก็ได้แต่ขอให้ถ้ามีดวงตาเนี่ยแสงสว่างเล็กน้อยๆพอดีพอานเนี่ยไปได้ไปได้ในระหว่างกลางเป็นอะไรล่ะสัมมาสติสัมมาสมาธิสองอย่างเป็นดวงตาสัมมาเป็นแสงสว่างสมมาธิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นดวงตาในระหว่างกลาง อีกสี่แหะคืออะไรคือสิ่งที่เราต้องทำแล้วการพูดการทำการใช้ชีวิตความเพียรพยายามทั้งสี่ตัวเนี่ยเป็นชีวิตประจวันของเราการพูดการทำการคิดที่มีความเพียรพยายามจะทำพูดคิดที่มีความพยายามจะให้มันถูกต้องคุณต้องมองให้ชัด คือมีดวงตามีสมาธิมีสมมาสภาวะคุณจะมองให้ชัดได้คุณต้องมีแสงสว่างก็ต้องมาทําตัวสมาสติสมาสมาธิแค่นี้เองคอนเซปต์หลกัหลกๆของอริมักมีองแปดไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะีแต่พอเราไปไม่ได้สภาวะไม่ได้ตัวปรมัดมันก่อนเราไปตีความหมายทางปริยัติและทางสมมติมันสับสนไปหมดอริมักมีอง 8, แปดถ้กลายเป็นเรื่องยากสําหรับเราทะนั้นในเรื่องมักมีองแปดท่านแบ่งเป็นสามกลุ่ม ตรงนี้ฟังให้ดีนะแบ่งไปสามกลุ่มกลุ่มของปัญญามาก่อนเลยเบื้องต้นเรียกว่าดวงตาแล้วก็กลุ่มของศีลอยู่ตรงกลางการทำการพูดการเพียนพยายามการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเป็นศีลตรงกลางเนี่ยแล้ว การมีความแสงสว่างมองเห็นอะไรให้ชัดเป็นตัวสมาธิเอาไว้หลังสุดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ในภาคทฤษฎีเรียว่าศีล ส, สมาธิปัญญาในภาคปฏิบัติเป็นปัญญาศีลสมาธิหันนะเอาไว้หลังอาจจะขึ้นโปรเจกต์โปรเจกเตอร์บนจทย์ทีก็ได้ท้ายๆ ถ, ถ้ามีเวลา <c oughs> เราไม่ต้องจําอะ ฟังไว้ก่อนก็นแล้วกันทีนี้เราจะเปลี่ยนคําว่าศีลสติปัญญาศีลถ้าสมาธิเนี่ยแทนที่จะเป็นศีลสติปัญญาห้าต้นกําเนิดของมันมาจากไหนสามตัวเนี่ยในภาคปฏิบัติเราก็บอกในวันก่อนว่าไอ้ต้นกำเนิดของไตรสิขาเนี่ยมันมาจากคาว่าไตรลักษณ์ถ้าเราจัดการไตรลักษณ์ให้ถูกให้พอดีมันก็มาเกิดไตรสิขา เช่นอนิจจังถ้าปฏิบัติทำความพอดีในความเปลี่ยนแปลงให้เราพอดีมันเกิดปกติขึ้นมาซึ่งเรียกว่ามีศีลอยู่ข้อหนึ่งศีล ท, ที่เป็นที่เป็นปรมัจา์เราเรียกว่าปกติที่เป็นสมมุติเรียกว่าข้อห้ามวินัยระเบียบควบคุมกฎระเบียบข้อผึ่งดเว้นทั้งหลายเรียกว่าเป็นสมมุติ <c oughs> แต่ในส่วนปรมาจา์ <c oughs> <c oughs> ขออภัยในส่วนปรมาัาศีนี้แปลว่าปกติ ดังนั้นพอมาอ น, นิจังเปลี่ยนเป็นศีลเพราะทำให้เกิดปกติขึ้นมาเพราะปรับเปลี่ยนแต่พอดีอแต่ถ้าทำไปปรับเปลี่ยนไม่พอดีมันก็กลายเป็นทุกข์ขังกลายเป็นทุกข์ขังอานิจังก็ให้เกิดทุกข์ขังเพราะความพอดีในรูปหาได้ยากเพราะฉะนั้นยังไงอ น, นิจังต้อเปลี่ยนเป็นทุกข์ขัง ให้ได้แล้วนั่งไปแล้วบอให้ไม่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันปวดไม่ให้มันหนักเลยเนี่ยมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้ใช่ไหมนั่นคือกฎของมัน <c oughs> เพราะนั้นอ น, นิจจังก็เกิดแต่เราเอาแค่ว่าทุกเอาแค่ว่าพอทนได้ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าถ้าทุกพอทนได้ตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตัวทุกขังเปลี่ยนเป็นสมาธิเอาแค่พอทนได้แต่ถ้ามันเกินพอดีไปมันไม่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยทีเนี่ยมันก็จะกลาเป็นทุกข เป็นวิบาสแล้วทีนี้ทุกขังเป็นสมาธิแต่ในส่วนบางครั้งเนี่ยมันความสุขความทุกข์ไม่ถึงกับทนไม่ถึงกับทนระหว่างที่ว่ า, าช่วงการเปลี่ยนผ่านระหว่างสุขทุกข์จากสุขไปหาทุกข์จากทุกข์ไปหาสุขช่วงการเปลี่ยนผ่านถ่ายน้ำหนักกระตดนั้นแหะสูงในช่วงนี้ ยังยังไม่สําเร็จว่ายืนนะแล้วก็ในขณะเดียวก็ยังไม่สําเร็จว่านั่งแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยในช่วงนี้บัญญัติไม่ได้ในช่วงเคลื่อนไหวเนี่ยบัญญัติไม่ได้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ตัวนี้เขาเรียกว่าอุทุกข์ม่สุขท่านใช้คําว่าอนัตตาคือยังไม่ชัดว่าเป็นตัวไหนเนี่ยอนัตตายังไม่ไม่ใช่ตัวสุขไม่ใช่ตัวทุกข์อ่ะมันเลยไม่มีตัวตรงนั้นเป็นอนัตตามันกันมาเป็นปัญญาถ้าถ้าดูตรงนั้นทันอ่ะ เพราะนั้นศีลสัมผัสปัญญาก็มาจากการตามรู้เท่าทันกฎตรตลักมาเป็นศีลสัมผัปัญญา <c oughs> <c oughs> แต่ในภาคปฏิบัติจริงท่านเอาตัวสภาวะถ้าถามโยมทั้งหลายว่าในชีวิตจริงระหว่างความรู้สึกสบายไม่สบายแล้วก็เฉยเฉยซื่อเนี่ยคือไม่ไม่ชัดว่าสบายไม่สบายความรู้สึกในชีวิตจิวัญของของเราสามอย่างความรู้สึกสามอย่างเนี่ยตัวไหนมีมากกว่า ตัวไหกินเวลานานกว่าเออนี่คือต้องหาคำตอบถ้าหากได้คำตอบที่ถูกเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับองค์มรรคภาคปฏิบัติทันทีถ้าคำตอบไม่ถูกมันก็จะไม่สอดคล้องกันตรงนี้คือรายละเอียดของมันถามอีกครั้งในชีวิตวันของเราระหว่างความรู้สึกสุขทุกข์และธรรมดาเฉยๆ เ, เป็นกลางเนี่ย ความรู้สึกอันไหนที่กินเวลายาวและก็เรารู้ค่อนข้างยากแต่กินเวลานานเอาให้ดีสงสัยสอบงานนี้จะสอบตกอีกแล้วนะ <c oughs> ให้ผ่านข้อสอบผ่านเปน็นเดนวันเอาอย่างนี้ดีกว่าขอมติระหว่างสามนะสุขทุกข์ไม่อยากจะใช้คขว่าเฉยเลย เอาคำว่าเป็นกลางเนี่ยนะแล้วกายนะเฉเฉยๆเป็นอาการของจิตใช่ไหมถ้าเป็นกลางเนี่ยมันเป็นกายก็ได้เป็นจิตก็ได้สุขทุกข์และเป็นกลางสามความรู้สึกเนี่ยอันไหนใครว่าทุกข์ยกมือขึ้นเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอดสิบสองสิบสาสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอาลงใครว่าสุข ยกมือขึ้นหนึ่งสองสามใครว่าเป็นกลางกลางยกมือขึ้นโอ้ตรงนี้ไม่ต้องนับเลยนะนั้นคือข้อตัดสินว่ามันความเป็นกลางที่เรายังไม่รู้อะไรชัดๆเนี่ยมีมากที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเป็นกลางเนี่ยคือตัวที่ที่เราสะพัสแต่เรารู้มันได้ยากหรือรู้ได้ง่ายความเป็นกลางรู้ได้ยากมันจึงเป็นปัญญา gne พอมันเป็นปัญญาปับสิ่งที่เราจะต้องพยายามรู้มันจะต้องมาก่อนเลยเป็นปัญญาคือสมาธิและสมาสังกปะต้องทารู้เรื่องความเป็นกลางให้ชัดไว้เสมอแล้วคิดอย่างเป็นกลางเสมอมันจะมาเป็นปัญญาตรงนี้ค่อนข้างละเอียดเลนเนยนะตามให้ทันนะ <c oughs> ว่าเรานั่งเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่จัดการมันเนี่ย ความเป็นกลางมีสองอย่างหนึ่งความเป็นกลางที่เราไม่ได้รู้จักสองความเป็นกลางที่เรารู้จักมันผมจะต้องถามอีกครั้งหนงในชีวิตจริงระหว่างความเป็นกลางที่เรารู้จักมันชัดๆกับไม่ค่อยรู้จักมันเลยเนี่ยอันไหนมีมากกว่าในชีวิตจริงอ่านเห็นัหมไม่รู้จักอันนี้แน่นอนชัดเจนเลยเรามีเยอะมากตัวนี้มันสาคัญเรางพเทียนท่านพูดคาหนึ่งว่า ถ้าคนเราไม่มีนิพพานอยู่ในใจเลยนะมันเป็นโรคจิตโรคประสาทกันไปทุกคนนหะเพราะมันมันจิตวิญญาณมันไม่ได้พักมันทำงานตลอดเวลาใช่ไหมในช่วงที่มันพักเนี่ยมันเป็นเหมือนนิพพานแต่ว่าเราพอเราไปเสพมันปั๊บมันกลายเป็นตัวสบายอ่ามันกลายเป็นตัวสบายพอเป็นตัวสบายปั๊บมันเป็นปัญหามันก็เลยต้องการเพิ่มจานวน เพราะนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าคนจึงทำไมเสพสิ่งเสพติดที่เลิกไม่ได้เพราะมันไปติดความสบายถ้าไม่ได้กินแล้วมันจะตายให้ได้เพราะไปติดซแล้วเสพติดทุกอย่างเลยเรารู้อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อจะมาหาตัวกลางว่าเราจะรู้จากความเป็นกลางของกายของจิตอย่างรู้ชัดเจนและเท่าทันได้อย่างไร <c oughs> ตรงนี้คือเป้าหมายของเรานะ เพราะถ้าหากว่าจับความพระพุทธเจ้าท่านพบทางสายกลางปั๊บในความความเป็นกลางความพอดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนทําไมจึงไม่เห็นความจริงมันเห็นแต่วมันไม่ใช่กลางอะ่ะเพราะถ้าสมมุติว่าเราไม่เห็นปลายตรงนี้ไม่เห็นปลายตรงนี้นก่อนเนี่ยเราจะหาตรงกลางตรงนี้เจอไหมว่ามันตรงเป็นยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมไม่น่าต้องหาที่เราตรงทนให้ให้เต็มที่ข้างนี้ฝ่ายทุกนะ ในฝ่ายสุขเราก็เอาพ่อยพอทนอย่าเสพถ้าเสพแล้วมันเกินพอดีละเมื่อหรือเมื่อเราพอทนสุขก็พอทนได้เราก็ใช่ว่าสุขพอดีทุกข์ให้พอดีเราก็จะหาความพอดีระหว่างสุขและทุกข์ได้เจอซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่เจริญสติสมาธิปัญญาให้เป็นนิสัยแล้วเนี่ยเราก็จะผิดพลาดคาดเคลื่อนอยู่เสมอเพราะเนื่องจากว่าทั้ง สุขทั้งทุกเนี่ยมันก็ยังจะเกินเสมอแล้วก็ปรับให้มันพอดีเสมอเหมือนกันมีหน้าที่ปรับปรับไปประมาณเงี้ยการงานทุกอย่างถ้าเราปรับสุขปรับทุกปรับสบายไม่สบายพอดีการงานนั้นเรามักจะใช้คําว่าสเสถียรมั่นคงหรือ sustainable นะคือต้องการให้มันยั่งยืนน่ะให้ความสุขยั่งยืนถ้าเราต้องการความสุขที่ยั่งยืนเป็นบุรรมิสุขนิพพานังปรมังสุขังใช่ไหม ถ้าเป็นบรุงมันสุขที่ยั่งยืนเนี่ยเราจะทําไงก็ต้องเอาจิตมาไว้ตรงความพอดีเพราะความพอดีมันเป็นความยั่งยืนแต่ความไม่ยั่งยืนคือความส่วนขาดและส่วนเกินพระเจ้าเน้นนักเน้นหน่าว่าผู้ปฏิบัติพึงละทางสุดตรงสองทางเนี่ยในส่วนสบายเกินไปกรารมาสุขานิทกาโนโยโคในส่วนที่ลาบากเกินไปทุกเกินไปอัตักระิมถานุโยโคท่านบอกผู้ปฏิบัติต้องละทางสองอย่างนี่ เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เอามาลงในภาคปฏิบัติมานั่งสังเกตความพอดีไม่พอดีความสบายไม่สบายแม้กระทั่งการหยุดการเคลื่อนที่เราเดินเมื่อวานว่าเออถ้าคุณเหยียบไปลงไปแล้วเวลาคุณเหยียบในช่วงที่ยกเนี่ยระหว่างเหยียบกับยกเนี่ยเราเคยดูไหมว่าเป็นช่วงไหนที่กินเวลานานกว่าคุณเหยียบลงไปนานกว่าหรือค้นยกรอยเนี่ยนานกว่า ตรงนี้ยที่เด่นโจกโกมเป้าหมายเพื่อให้ไปดูตรงนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเห ย, นนยียบนานกว่ายกยกนานกว่าเหยียบดูที่ผลของมันถ้าเราเหยียบนานกว่ายกนานเข้านานเข้าจะรู้สึกเป็นไงตึงที่ขาใช่ไหมขาเริ่มหนักแต่ถ้าหากว่าเรายกนานกว่าเหยียบเป็นไงมันจะผ่อนคลายก็ยิงแต่มันผิดปกติเพราะมันช้าเกินไปใช่ไหมพวกนี้ก็จะไปติดสุขติดสบายติดสงบ ในในที่สุดพอติดสบายติดสงบแล้วก็ไปติดสมถะออกมาได้แล้วทีเนี้ยพุทธเจ้าบอกไปที่พานมาได้พวกนี้มันไปแค่พรมใช่ไหมเป็นพรมไปอริยะไม่ได้แล้วอริยะคือต้องการที่จะปรับหนักปรับเบานี่ให้เป็นไงพอดีถ้ามันพอดีคือไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปบางครั้งต้องเอาอะไรนาฬิกามาดูเลยนะไอ้ต้องเหยียบกับยกเนี่ ย, ยไอ้ส่วนที่มันลอยก็ส่วนที่มันเหยียบเนี่ ย, เ, ยเท่าไหร่กันแน่นะเพื่อตรวจสอบความทัดเจน ไอลักษณะอย่างเนี้ยมันมันต้องทำเวิร์กช็อปกับตัวเอง่ะในในเรื่องเหล่านี้ดังนั้ น, น, นใจของเราในส่วนเนี้ยพูดถึงความตั้งใจตั้งใจได้พอดีบางคนก็ไม่ตั้งใจในขณะที่หลวงพ่อพูดไปใส่ใจในเรื่องอื่นพวกนี้ก็จะไม่พอดีละคือไม่ใส่ใจจุดพอดีคือจุดที่ใส่ใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมการใส่ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันพอดี สมมติเรานั่งอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนักตรงนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นที่สำคัญมากกว่า น, นั้นคือเรากำลังกระทบเสียงกระทบหูใช่ไหมแต่นั่งแล้วหนักคือรูปกระทบผัดสะกับพื้นตาก็เห็นจมูกได้คนนี้ไม่มีกลิ่นอะไรลิ้นก็ไม่มีรสอะไรสัมผัสคือกายกับพื้นทำหน้าที่หลักๆอยู่สาม บอดไม่ใช่สามเออไม่ใช่บอดนะบอดไม่ใช่สามนะตามีการกระทบตลอดขณะที่เราลืมใช่ไหมเว้นแต่หลับหลับนี่ถือว่าการกระทบไหมหลับตาถือว่ามีการกระทบทางตามีไหมเอ อ, เ อ, อตรงนี้ <laughs> เป็นแฟชั่นใหม่อีกละเมื่อหลับตาถือว่าการกระทบทางตามีไหมเออตอบให้ดีนะ ในขณะหลับตาเนี่ยจกักขวิญญาณมีไหมมีหรือไม่มีโสววิญญาณมีหรือไม่มีถ้าหลับตาแล้วเรารู้สึกกระทบความมืดหรือความสว่างความมืดที่กระทบตาถือว่าเป็นกระทบไหมเพราะนั้นโสตดวิญญาณที่เกิดทางตาขณะหลับนี่เป็นวิญญาณมืดหรือวิญญาณสว่างนาน่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไปอริยะไม่ได้เปติดแค่โพรมเพราะมันมืด ง่ายๆนะเหตุผลง่ายๆนะครั้งหนึ่งหลวงพ่อเทียนอยู่ที่ขอนแก่นในสมัยนั้นเจ้าหน้าที่เขื่อนน้ําพองคนหนึ่งเขาเป็นลูกศิษย์ของผู้โทเนี่ยเขาก็มีเครื่องรังของขลังเยอะเขารู้ว่าวัดโมูกขอนแก่นเนี่ยหลวงพ่อเทียนประจำอยู่ในช่วงต้นเป็นภาะกรรมฐานที่ค่อนข้างมีชื่อก็อยากจะไปอหาหลวงพ่อเพื่อให้ดูว่าไอ้พระของตัวเองเนี่ยที่เครื่องรังขอังตัวเองเนี่ย มันครังหรือไม่ครังนะเพราะพระวิปสัสนาพระกรรมฐานทั่วไปมีมีมีชื่อทางนั้นใช่ไหมจะต้องรู้ว่าพระเนี่ยอันไหนดีวิดีก็เข้าไปถามหลวงพ่อกับก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสอนวิปสัสนาได้ข่าวสอนวิปัสนาหลวงพ่อสอนแบบไหนอ๋อสอนแบบลุกมือเคลื่อนไห ว, ส, วสบายๆลืมตาไม่ต้องนั่งหลับตา เอามันจะสงบได้ไงหลวงพ่ขอเคลื่อนไหวเพราะว่ากรรมฐ า, านต้องนั่งนิ่งๆหลับตา uh huh. คุณว่ามันสงบใช่ไหมสงบเพราะฉะนั้นหลับตากลืมแค่หลับตาคุณว่าสงบถ้าลืมตาคุณว่าไม่สงบใช่ไหมใช่สงบก็ไม่สงบคุณว่าอันไหนดีกว่ากันสงบดีกว่าเอองั้นหลวงพ่ อ, อคุณปฏิบัติแบบไหนมาผมแบบพูดโทเอาทําให้หลวงพ่อดูก่อนว่าคุณสงบจริงไหมแล้วมันเกิด ปัญญาจริงไหมนั่งแต่ก่อนคุณจะนั่งแบบของคุณเนี่ยเอาของในตัวของคุณออกให้หมดนาฬิกาแผ่นตาพระเครื่องเนี่ยอมกองไว้ข้างหน้าคุณนั่นแหละเขาก็เลาะออกหมดนะกองไว้ข้างหน้าก <c oughs> อ ง, งนะคุณอะนั่งหลับตาภาวนาประมาณสักสองสามนาทีอ่ะพอละคุณลืมตาขึ้นสงบไหมสงบ ของข้างหน้าคุณหายไปไหนอ่ไม่รู้ครับอา้าวไม่รู้มีปัญญาหรือเปล่าตอบไม่เป็นเลยไปไม่เป็นเลยทีเนี้อา้าวทีนี้คุณทําแบบหลวงพ่อบ้งอางอะวางมือทั้งสองก็ถือโอกาสสอนเลยนะอยกมือไม่ต้องหลับตาเพราะฉะนั้นตาขยันยกมือสร้างจังหวะทําทแบบหลวงพ่อเนี่ยแล้วขณะที่ยกหลวงพ่อก็ค่อยเอามือ เคลื่อนกองขยะข้างหน้าเมื่อกี้นนะพระเอออเลยเลื่อนมาข้างหน้าถามพอละขณะที่นั่งลืมตาและยกมือเนี่ยคุณรู้ไหมว่าของที่หายไปเมื่อกี้มันหายไปไหนรู้ครับมันหายไปไหนหลวงพ่อเคลื่อนไปไว้ข้างหลังอะรู้ได้ไงก็เลวพ่อเคลื่อนกลับมาข้างหน้าอันนี้มีปัญญาหรือไม่มีมีปัญญาครับโอ้ตั้งแต่นั้นมานะองค์พ่อก็สอนเรื่องนี้แกก็ไปวัดไปหาหลวงพ่อไปจําเลยที่ พวกพักเครื่องพระอะไรค่อยหลุดไปทีละองค์สององค์ในสุดแกมันไม่ใส่เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คนที่จะละสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเกิดปัญญาเสก่อนนะถ้าไม่เกิดปัญญามันละไม่ได้แต่กายใครอยาจะไม่พิสูจน์ให้เห็นชัดๆอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการของหลวงพ่อที่มาเล่าไปวันก่อนมาสอนกรรมฐ า, านหลวงพ่อในเรื่องฝาขวดนั่นแหละมันเกิดปัญญามันติดอยู่ในใจมันมันลืมไม่ได้มันต้องหาคําตอบให้เจอเนาะ เขาหาคำตอบเจอแล้วมันค่อยละละละละในสิ่งที่เราเคยติดแม้สิ่งที่อะไรที่ทําชีวิตของเราแย่ๆมาเนี่ยมันก็จะละได้มันไม่ใช่ละพูดพลาดอะไรเลค่อยละไปทําไปละไปทําไปละไปแต่คนที่เขาฉลาดมีสติปัญญามากกว่าเนี่ยเขาละได้เร็วแต่คนที่มีสติปัญญาน้อไม่ค่อยฉลาดก็ละได้ช้าแต่ที่สุดล้วก็เหมือนกันคือละได้เหมือนกันนะเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ดังนั้น เมื่อเป็นอย่างนี้มาประเด็นที่ว่าเราต้องใส่ใจที่เกิดสิ่งเฉพาะหน้าที่ที่มันมีตั้งหกทางเราจะใส่ใจทางไหนตาก็เห็นหูก็ได้ยินจ ม, มูกก็ได้กลิ่นลิ้นกิ้วริบรถแล้ว ก, ก็กายก็สัมผัสจิตก็รับรู้เราจะไปใส่ใจไหนดีขณะนั้นเหตุการณ์จำเป็นและสำคัญจะมีเพียงหนึ่งเหตุการณ์เราต้องใส่ใจ ประเด็นนั้นก่อนเป็นหลักแล้วก็ลองลองลงมาเท่าที่จําเป็นที่ในอายัตนะทั้งหกของเราก็มาสารวจว่าอันไหนมาทำงานตลอดเป็นส่วนใหญ่อันไหนมาทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างอันไหนมาทำงานน้อยที่สุดตาพอลืมตาเขามองเห็นหูมีการได้ฟังคำบรรยายอยู่จมูกลิ้นกิ่นกระดรสสองอันนี้แทบเจ็ดบอดไปเลยนะบางช่วงนะใช่หมแทบจะบอดไปเลยสองอันไม่ทาหน้าที่ แต่มันก็ทําหน้าที่อีกแบบหนึง่งจมูกก็ทำเรื่อยหายใจใช่ไหมแค่ขนาดนั้นมันมีกลิ่นลิ้นก็ทําหน้าที่พูดขนาดนั้นไม่ได้ลิ้มรสมันก็ทําหน้าที่อีกแบบหนึง่งน่ะกายก็สัมผัสหนักเบาเย็นร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงตลอดเวลาจิตก็รับรู้ว่าอะไรที่เข้ามาผ่านประตูทั้งหกเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นทําหน้าที่หลักๆว่าตาหูกับใจกายกับใจแล้วในส่วนที่มันบอดไป่ใชสองถ้าสมมติเราไปนั่งหลับตาเนี่ยมันบอดสามเลยนะ มันก็เลยอสามประตูเหลือหูเหลือกายเหลือใจแล้วอีกสามมันหายไปครึ่งนึงเลยเน่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไปปิดช่องทาให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ทั้งหกทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าไปปิดช่องใดช่องหนึ่งเอามาเคยเปรียบเทียบเสมือนว่าเอาหลอดไฟเนี่ยมันเป็นหลอดที่อ่อนนะเรา ป, ปิดเอาติ๊กเกอร์ดำเนี่ยสีดํามาปิดแค่หกส่วนมิดเลยเนี่ยแสงสว่างทั้งหลอดเนี่ยจะไม่เห็นเลย เสร็จแล้วเราค่อยเลิกเลยเปิดเอาสติ๊กเกอร์ดำออกทีละส่วนและส่วนส่วนที่หนึ่งแสงสว่างก็โผล่มาละยี่สิบเปอร์เซสิบห้าเปอร์เซ็ น, นส่วนที่สองสิบ้าเอร์ซ็นตส่วนที่สามสิบห้าสิบ้าเปอร์เ็นตเป็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นแสงสว่างก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราถ้าเราไปปิดบอร์ดให้มันบอร์ดส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็ค่อยปิดประตูแห่งปัญญาไปทรื่อนิดนิดปัญญาไม่สมบูรณ์หรือสมบูรณ์ช้า น, นี่หลักการของมันนะ ทั น, นั้นเมื่อเราไปที่ไหนก็ตามถ้าเราใส่ใจฟังและเข้าใจในสิ่งนั้นนั้นคือความพอดีของเราความเป็นกลางของเราคือใส่ใจแต่ว่าเราไปไหนคนกำลังพูดอะไรหรือสนทานาเราไม่ใส่ใจสิ่งนั้นจิตของเราจะออกไปข้างนอกไปสนใจเรื่องอื่นอันนั้นไม่พอดีปัญญาก็จะไม่เกิดเพราะมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วพวกนี้ก็จะกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง เพราะเชื่อมันตดวยวเองไม่ยอมฟังจากเสียงประโตโหสะแล้วคนนี้ก็จะประสบในปัญหาเพราะมีความขาดความเกินในตัวเองสูงนะเพราะนั้นสิ่งเล็กๆลน้อยน้อเหล่านี้ถ้ามองไปลากลึกๆเนะ่มีความสาคัญหลวงพ่อก็สังเกตตลอดนะบางคนทำอะไรก็มีปัญหาหมดไม่ค่อยประสบผสลสำร็จกับเพื่อนเพราะว่าการใส่ใจที่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหนะ้าไม่ร้อยเปอร์เ็น ฟังอยู่แต่มันแค่ห้าแต่อีกแปดส้าไปอยู่อีกจุดหนึ่งมันไม่ใช่จุดที่กําลังเกิดอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมคนจึงมีความแตกต่างนะบางคนทําอะไรก็สําเร็จสําเร็จสำเร็ จ, เ, รจเพราะใส่ใจในสิ่งที่เกิดเฉพาะหน้าให้ความสําคัญแล้วเอาไปใช้เกิดปัญญาแต่บางคนใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราไม่รู้จักเลือกว่าในหกทางที่กําลังมากระทบเนี่ยทางไหนสําคัญที่สุด แล้วก็ใส่ใจในทางนั้นแต่ถ้าไม่ใส่ใจเลยทั้งหทางก็ยิ่งหนักเข้าไปนะกายก็ไม่ใส่ใจตาที่ฟังก็ไม่ได้ใส่ใจหูกาลังได้ยินก็ไม่ใส่ใจจมูกลิ้ น, นก็บอดไปแล้วกายกับการรับรู้ดังนะนั้นสิ่งเหล่านี้เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อหรืออาจารมาจึงอยากให้ทํากับตัวเองนาน แล้วมันจะพิสูจน์ว่าใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าพระอาจารย์คอยไปรบโคนคอยไปสอบอารมณ์คอยไปเทศอยู่เรื่อยๆนะจิตของผู้ปฏิบัติจะกระเพิ่มผู้ที่ตั้งใจอย่างกระเพิ่มบ่อยๆก็เห็นภาพไม่ชัดแต่สําหรับคนที่มีอิสีไม่เข้มแข็งก็จะผุดลุกผุดนั่งผุดเข้าผุดออกอยู่อย่างนั้นแหละจะอยู่กับที่นานไม่ได้เพราะว่าอิสียังอ่อนอยู่ก็ต้องเห็นใจไปตาหนิเขาไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเขาไม่ได้ทํานั้นเขาจะแย่กว่านั้นอีกนะเขาก็ต้องในผ่อนคลาย เพนือ่องจากอีเขาอ่อนอยู่เราก็เห็นใจแต่คนที่ไม่เข้าใจก็จะนึกถึงเหยี่ยนลำคาญพวกนี้มาอะไรกันตั้ง น, นั้นวิ่งเข้าวิวออกมาเห็นว่านิ่งสักทีเลยนะียอันนี้เราต้องสงสารเขาต้องแผ่เมตตาให้เขาแต่เราที่มีไอซีเข้มแข็งกว่าสามารถนั่งได้นานหลายๆชั่วโมงโดยที่ไม่ใช่นั่งนิ่งๆเนี่ยนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนของเราไปเรื่อยๆแหละในในขณะนั้นคนคนนี้ก็จะไปไกลไปเร็วเพราะว่าอะไรในขณะที่นั่งนิ่งนานๆมันเห็นข้อมูลได้ชัดเจน เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวง่งว ง, วงมันก็หาทางแก้ไปเรื่อยๆอถ้าเราไม่แช่อยู่นานๆปัญหามันก็ยังไม่เกิดให้เห็นให้ชัดแต่เราแช่เท่าที่เราทนได้นะมันพอทนได้อะไม่ถึงกับสบายแต่ไม่ถึงกับไม่หนักเกินไปแต่พอทนได้เราก็แก้ปัญหาไปเรื่อยเพราะปัญหามันเกิดตลอดเวลาที่เรานั่งเนี่ยใช่ไหมมันเกิดตลอดเราก็จะโฟกัสว่าในหกทางเนี่ยมันเด่น ทางไหนก็แก้ทางนั้นไปเรื่อยๆพอแก้ทางหนักทางนี้หนักหายไปเอาทางนั้นเกิดมันก็เปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆจุดปัญหาที่มันเกิดมันก็เกิดทั้งหกทางข้างมานั่นแหละแต่ทางที่มันชัดเจนที่สุดทางไหนก็แก้ทางนั้นไปทางไหนที่ว่ามันมันชัดเจนก็คือทางที่มันทำท่าจะทนไม่ได้นั่นแหละก็ปรับมันออกไปปรับองไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวปัญญาก็เปลี่ยนตัวทุกข์ให้เป็น สติสมาธิปัญญาเลื่อยๆคนนี้ก็จะไปได้ไวเท่าที่ประสบการณ์มาสังเกตมาตลอดนะช่วงที่ทำงานมา20 20กว่าปี30ปีเนี่ยมันก็จะเกิดประสบการณ์อันนี้แล้วเราเรียนจากเขาเขาเรียนจากเราสำคัญที่สุดคือเราเป็นคนชอบฟังแต่เวลาถึงเวลาพูดก็จะพูดอย่างหมดเปลือกเหมือนกันถึงเวลาไม่พูดก็ไม่พูด อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเราต้องฝึกแต่บางคนถึงเวลาพูดไม่พูดเป็นเรื่องเป็นราวถึงเวลาที่จะพูดไม่พูดเรื่องราวที่ควรจะพูดก็ไม่พูดเรื่องราวที่ไม่ควรจะพูดก็เลื่อยเปื่อยไปลักษณะเนี่ยความชัดเจนของการสังเกตการเฝ้าดูยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าจิตมันกระเพื่มมตลอดเวลาเลยไม่เห็นว่าอะไรว่าควรจะทาก่อนควรจะทาหลัง คนจะทํามากคนจะทําน้อยก็จะไม่เห็นข้อมูลตรงนั้นชัดแต่พอเราได้นิ่งเฝ้าดูนานๆได้เห็นทุก์นานๆได้เห็นสุขนานๆได้แก้ปัญหาบ่อยๆแล้ได้สัมผัสจิตมันจะเกิดทักษะเกิดการเรียนรู้ของมันเองโดยที่บางอย่างเนี่ยอาจารย์ไม่เคยพูดถึงเลยเรารู้อาจารย์ไม่เคยบอกเลยครูเนี่ยแต่เรารู้ขึ้นมาซึ่งในสมบัติลึกๆของแต่ละคนเนี่ยมันมันได้สั่งสมมายาวนาน เพราะนั้นบางคนอาจจะมีปัญญาแหลมคมลึกซึ้งกว่าครูบาอาจารย์แต่เขายังไม่มีโอกาสมาเฝ้าดูสิ่งนี้นานๆเท่านั้นเองเพราะนั้นเราต้องให้โอกาสกันในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยในห้องนี้มันแคบอย่างเงี้ยเราก็โฟกัสจุดท้องครของมันไม่รบกวนกันเพราะนั้นเราจึงไม่มีการพูดหรือการสุนทนาแต่ถ้าจะลุกเข้าออกเราก็ไม่ว่ากันแต่เพียงว่าเขาให้สงบได้เรียบร้อย ไม่เป็นกระทบรบกวนผู้อื่นโดยไม่จาเป็นอย่างนี้นะการเคลื่อนไหวก็จะคอยอไม่ดูแล้วไม่ไม่เร่าร้อนไป่รบกวนนะค่อยไปอย่างสงบและนิ่มนวลอันนั้นเราก็ให้โอกาสกันดังนั้นปัญหาประเด็นปัญหาที่นํามากล่าววันนี้ก็คือความขาดกับความเกินความขาดเราเรียกว่าอัตตะกิมมธานุโยก ความเกินเราเรียกว่ากามสุขานิการุโยกและเราจะรู้ความขาดความเกินในระดับสากลต้องมาดูความขาดความเกินในระดับบุคคลคือตัวเราซึก่อนนั้นในวิธีปฏิบัติภาวนาวิปัสนาภาวนานั้นคือมาตั้งใจที่จะศึกษาความขาดเกินของตัวเองเพราะความขาดก็เกอให้เกิดปัญหาความเกินก็ก่อให้เกิดปัญหา การที่เราได้แก้ปัญหาตาลอดเวลาคือแก้ปัญหาการขาดการเกินเพื่อให้เกิดความสมดุลเมื่อใดทั้งขาดที่เกินสมดุลกับพอดีปั๊บ ป, ปัญญาเกิดครั้งหนึ่งสักพักหนึ่งอาขาดเกินปรากฏเราเข้าไปตามรำลังรู้แก้ปรับเกิดมาเป็นปัญญาอีกครั้งหนึ่งปัญญาก็สติปัญญาก็เกิดการสั่งสมโดยการจัดการระหว่างขาดกับเกินให้พอดีนั่นเองเรื่องมัชชิมาปฏิปทาปัญญามันเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะปัญญามันก็มาเกิดความพอดี และความพอดีตรงนี้มันก็กลายเป็น personality หรือกลายเป็นบุคลิกเป็นคาแรคเตอร์ของเราในการที่จะทําอะไรก็พอดีคื อ, อคนที่ทําอะไรก็พอดีเหมาะเจาะถ้าไปทําอาหารถ้าพอดีนี่หมายความว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยพอดีอร่อ ย, พ อ, ออยพอดีนะ อ, อร่อยมากเลยเป็นไงทางโลกเนี่ยเขาต้องให้มันมากไว้ก่อนนะอร่อยพอดีนี่ไม่ค่อยเอาต้องอร่อยมากๆนี่คือมันไปนสร้างทุกข์ เผ็ดโอ้ไม่เผ็ดเลยขอเผ็ดกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งบางค น, อนเอาเผ็ดแต่พอดีแต่พอดีแต่ละคนมันเท่ากันไหมไม่เท่านี่อันนี้คือปัญหาเนี่ยคนมันถึงมีปัญหากันตลอดพอดีกันนะของผมเผ็ดแต่พอดีอคนเผ็ดเกินไปอะ่ะผมจีดแต่พอดีโอ้โหผมว่าเค็มนะ้นีดังนั้นการสแสวงหาสัจสจสภาวะเนี่ยเราจึงต้องหาความพอดีระหว่างเขาระหว่างเรา ซึ่งเรื่องการทำใจนะซึ่งเป็นสานวนที่ฮิตทีเดียวที่เราใช้อามาเองก็เลยว่าเอจะทำอย่างไรที่ชาวพุทธส่วนใหญ่จะต้องมาศึกษาเรื่องนี้ให้เป็นให้เป็ น, เ, ปนเรื่องเป็นลาวเสียทีหนึ่งนะโดยที่เรื่องในโลกเนี่ยที่เราจะต้องรับรู้มันมันเยอะเหลือเกินมากมายแต่ว่าเรื่องที่จำเป็นที่จะป้องประคองชีวิตของเราไม่ให้ทุกข์เกินไปเนี่ยเป็นหน้าที่หลัก ถ้ามันไม่ทุกข์เลยดีที่สุดเราต้องการแต่ถ้าหากว่าเรายังวิ่งหาสุขหนีทุกวิ่งหาสุขหนีทุกอยู่อย่างเนี้ยมันจะไม่เจอความพอดีเลยเราไม่ก็จะเวียนว่าอย่างเนี้ยขาดเกินเนี่ยทำให้เกิดวัฏสงสารพอขาดเต็มที่มันก็วิ่งไปเกินพอเกินเต็มที่ก็วิ่งมาขาดสุขเต็มที่ก็วิ่งมาทุกทุกเต็มที่ก็วิ่งมาสุขอย่างที่เรานั่งนานแล้วก็สักพักก็ไม่สบายแล้ว พอลุกขึ้นเดินสักพักน่งลุกเดินไปใหม่หมอสบายพอเดินไป น, นานเอาหนักขายอีกแล้วอพอหนักขาก็เปลี่ยนมานั่งนั่งไป น, นานเอาหนักแล้วพวกหนักหล้างหนักก็ต้องเปลี่ยนอยู่เนี่ยเป็นธรรมชาติของไตลักที่เราต้องเกิดมาเพื่อรับวิบากกรรมด้วยอวิชชาของเราที่เราไม่รู้ต้องได้เกิดมารับสว่วนอนั้นต์ดังนั้นเมื่อเรามาเกิดพบวิถีแห่งพุทธธรรมหรือวิถีแห่งการที่จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์แล้ว เราก็ต้องศึกษาให้เต็มที่ให้ถูกต้องดังนั้นจึงเกิดวิชาขึ้นวิชาอยู่เหนือทุกข์เคยได้ยินนะอวิชาไม่ต้องพูดถึงเพราะมันจมอยู่ในทุกแล้วที่นี่เราจะมากู้เรือที่มันจมอยู่ใต้น้ำนะให้มาอยู่เหนือน้ําได้อย่างไรเน่ยนี่คือหน้าที่ของเราจิตของเราที่มันจมอยู่ในความขาดความเกินเนี่ยเราจะกู้ให้มันอยู่เหนือความขาดความเกินได้อย่างไร ตรงนี้ขอพูดยอ่ยอๆนะถ้ารายละเอียด เ, เวลาไม่พอว่าการที่จะกู้ตัวจิตของเราซึ่งมาอยู่ในเรือของวิชาซึ่งมันจมมันโผล่มันจมอย่างเนี่ยชีวิตของเราก็ไม่ปกตินะสุบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างสลับกันอยู่เนี่ยไม่รู้กี่พบกี่ชาติเมื่อมาพบวิชาของพระพุทธเจ้า เราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะกู้จิตของเราออกจากเรือของวิชาเนี่ยทําไงอันที่หนึ่งท่านบอกว่าให้พบกะเรณมิตรอ่าดูให้ดีนะหนึ่งให้ภพกรเรณมิตรหรือว่าท่านใช้คําว่าปรโตโขโศหกลุกจักฟังคนอื่นรู้จักฟังคนอื่นซะบ้างปรโตโขโะ ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ฟังเราแย่งงินพูดนะเนาะมึงพูดได้กูก็พูดได้ฉันพูดได้มากกว่าฉันฉลาดกว่าคุณไม่พูดอะไรคุณโง่กว่า ม, มันมันมีคอนเซปต์อย่างงั้นทำให้คนก็เลยอยากไม่มีใครอยากโ ง, ง่ใช่ไหมนีแต่อยากฉลาดทั้งนั้นแหละนี่คือการขาดกานเกินของของมันเซนมากๆเลยนะที่เราเป็นฝ่ายฟังฟังไปก่อนฟังปรตโตโคสาตสองถามว่าฟังแล้วทำให้เกิดอะไร เกิดปัญญาสามประการหนึ่งเกิดอะไรสุตะมยาปัญญาเรื่องที่เขาพูดมาทั้งดีทั้งร้ายทั้งถูกทั้งผิดแล้วก็ฟังแต่เราเลือกเอาว่าอันไหนมันมันดีอันไหนมันไม่ดีก็เลือกอมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้าก็ฟังไปก่อนแต่เราเลือกอส่วนที่เป็นประโยชน์<ๆ>เกิดสุตะแล้ใช่ไหมก็คือรู้จักเลือกเป็นก็เป็นจินตามยาปัญญา เมื่อเลือกได้แล้วเอามาทําให้ดูมาทําดูว่าใช่ไหมที่ท่านพูดมาลองมาทําดูถ้าใช่อริปัญญาอีกขั้นหนึ่งคือภาวนาอยปัญญานี่นี่การได้ฟังคนอื่นมันเกิดปัญญาสามอย่างแต่บางคนก็ได้อย่างเดียวฟังเฉยเฉยท่านไม่ได้เอามาเลือกหรอกฟังแล้วก็แล้วไปประเภทนี้เยอะเนา ะ, ะบางคนเออตั้งใจฟัง เลือกา่าเอออันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่บางคนปฏิเสธไปเลยโอ้สิ่งที่คุณพูดมาไม่ใช่เออใช่จริงแต่ผมไม่เอาจะว่าไงปฏิเสธไปเลยใช่ไมก็ได้สุดะได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันมีอามาปิดมีวิชามาปิดแล้วแต่วิชาท่านบอกว่าจะต้องรู้จักฟังให้เกิดปัญญาสามประการจะเกิดวิชาเมื่อเกิดปัญญาสามประการแล้วฟังเข้าใจเอาไปทำได้ เกิดความเชื่อใช่ไหมเออจากการนี้ใช้ได้ศรัทธาเกิดไหมศรัทธาเป็นอันที่สองนะอันที่หนึ่งต้องพบต้องแต่ถ้าหากว่าพบแล้วปัญญาทั้งสามประการเมกับศรัทธาที่เกิดมาเป็นศรัทธามิจฉาศรัทธาเชื่องมงายเชื่อง่ายเชื่องมงายถูกรลองอีกใช่ไหมอ่าเพราะนั้น ป, ปัญญาต้องมาก่อนศรัทธาในพุทธศาสนา ปัญญาต้องมาก่อนศรัทธาปัญญาจะเกิดได้ไงอาศัยกระเเดนมิตรอาศัยเพื่อนเรากดที่บานัึงตรงนี้เราพบคนทั้งหลายคนใช่ไหมพบครูบาอาจารย์พบเพื่อนที่ปฏิบัติมาพูดให้เราฟังปัญญาต้องมาก่อนแล้วกเกิดศรัทธาศรัทธาเกิดละถ้าศรัทธาได้เกิดจากปัญญามันจะมีอยู่แค่สี่ประการ .definition หนึงหนึ่ง 1, เชือกการกระทําของตัวเองสองสำรวจผลว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาแล้วผลออกมาอย่างไร สามผลนั้นมันกระทบ ก, กระเทือนกับคนอื่นกระทบกระเทือนตัวเองไหมหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือเป็นประโยชน์ตัวเองไหมสี่ให้เ ช, ชื่อในที่สุดถ้ามันถูกต้องมันจะไปสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าดัาคตะโพธิสัทธาคือสัทธาที่เกิดโดยจากมันปลุกมั น, ม, น, ม, นมันตรงกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสัทธาที่ถูกต้องยืนยันทั้งสี่ประการนี้ นะแต่ถ้าหากว่ามันนอกเหนือประกรันก็ไม่ใช่ศรัทธาที่เกิดโดยปัญญาเหมือนกันศรัทนธะาหลวงพี่หลวงพ่อศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันพิสูจน์ตามศรทธาขตาตพูดที่ปัญญาไม่ไดนะ้จึงไม่ถือว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องเ ม, มื่อมีศรัทธาแล้วอันที่สามได้คิดเมื่อก่อนเราไปอยู่ที่ไหนเราไม่เคยฟังเรื่องนี้เลยนะ โอมันน่าจะฟังเรื่องนี้ตั้งนานแล้วนะถ้าฟังเรื่องท่านฉันคงไม่มานั่งแช่กันาดนนี้เ <c oughs> พิ่งได้คิดเราเรียกว่าอันที่สามคือเกิดสติสมัชัญญาได้คิดได้สติ บ, บรณฑว่าเรียกว่าได้สติเพิ่งได้สติเพิ่งได้คิดวันนี้เองอะไรเป็นอะไรอันที่สามวิชาเกิดละวิชาที่สามเมื่อได้คิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดการไข้ควรเกิดการพิจารณาเกิดการเฝ้าดูอะไรอย่าง ชัดเจนกว่าเดิมเมื่อก่อนฟังก็ฟังแบบผิวเผินอ่านก็อ่านอย่างผิวเผินพูดก็พูดกับใครก็อย่างผิวเผินไม่มีความตั้งใจไม่มีความจริงใจนะแต่พอมาเจอเรื่องนี้แล้วมันเกิดโยนิสูมนสิีการอยากจะรู้อะไรให้มาถึงเหตุถึงต้นเหตุมันมาอย่างไรมันเป็นไปมาอย่างไรรู้จกักอยากจะยุ่จากฮิสตอรีของมันเนี่ยล่มลมโยนิสูละ รู้จักความเป็นไปเป็นมาของเรื่องนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้พบไม่ใช่เชื่อเลยแต่ต้องการว่ามันเป็นมาอย่างไงเรื่องนี้ใช่ไหมเห็นกลับไปบ้านเห็นหน้าลูกเป็นทุกข์พอเราปฏิบัติมาแล้วอันนี้คือรูปใอ้ทุกข์นี่เป็นเหตุทุกข์นี้เป็นผลเนาะออกมาเห็นหน้าอย่างเงี้ยเหตุมันเป็นไปเป็นมายังงไอ้หนูมานั่งตรนี้คุยกันหน่อยดิ มึงไปทำอะไรมาทำไมมึงเป็นหน้าราหน้าตาขางเป็นอย่างนี้คุยกันไดใช่ไหมอันนี้คือแทนที่จะดูดาว่ากล่าวตั้งแต่แรกเราเกิดมานั่งคุยกันรู้ความเป็นไปเป็นมาอ๋อหนูพลาดไปแล้วแม่เพื่อนมันชวนไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์เราไปกินยาเสพติดเราไปเจอตารวจมันจับได้แล้วกำลังจะมาบอกพ่อแม่เนี่ยทำไงอะไรทำนองเนี้ยรู้ความเป็นไปเป็นมาเราก็เริ่มละอ่ะ เมื่อโยนิโสมรสิการสิ่งที่มัากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างเริ่มโยนิโสรู้ต้นเหตุของมันว่าเป็นมาอย่างไรเมื่อโยนิโสเป็นแล้วทีนี้มันก็เกิดการเลือกการกระทําเลือกการกระทําเลือกการพูดในส่วนที่เป็นประโยชน์ในส่วนที่ดีในส่วนที่ไม่ดีรู้ว่ามันทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วเนี่ยมันเสียเวลาถ้าเป็นโทษ ด, ด้วย ระวังสังวรตัวเองในการที่จะตัดสินใจทำและระวังตัวเองมันตัวเกิดโยนิโสมันเกิดอินทรีย์สังวรระวังจะพูดจะทําจะคิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดกัารระมัดระวังตัวระมัดระวังนี้ทําให้เลือกทําในสิ่งที่ถูกพูดในสิ่งที่ถูกทําในสิ่งที่ถูกคิดในสิ่งถูกเรียกว่าสุจริตสามตัวอีเสียสวรทําให้เกิดสุดจริตสามแล้วใช่ไหมนี่คือวิชาวิชาที่หนึ่งคืออะไร ปรตุโคสะหรือการิยานิมิตวิชาที่สองเกิดศรัทธาวิชาที่สามเกิดสติสัม ย, ว า, ยโโม า, าวิชาที่สี่เกิดโยนิโสมนสิการวิชาที่ห้าเกิดอีสีสังวรวิชาที่หกเกิดสุจริตสามเมื่อเกิดทมผูถูกคิดถูกเป็นส่วนใหญ่นะไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่ คนเราต้องมีผิดพลาดเพราะสติยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเป็นส่วนใหญ่รู้สึกเป็นส่วนดีทําให้รู้สึกว่ามีความพร้อมที่จะศึกษาในสิ่งที่ละเอียดไปกว่านั้นเราจึงจึงต้องพาตัวมาที่นี่ใช่ไหมคือต้องการเจริญสติปัญสีว่าเป็นอย่างไรเพราะได้ข่าวว่าเจริญสติปัญสีแล้วมันจะรู้อะไรละเอียดลึกไปกว่า น, นี้อีกก็มาเจริญสติปัญสีพอเจริญสติปัญสีอย่างถูกต้องจากสติปัฐานมันจะเปลี่ยนเป็นสติอะไรสำโพธิ์ชง นั้นสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องแล้วมันจะไปเกิดสัมโธชฌงเจ็ดว่าสติเอาตัวเดียวกันนะเจ็ดตัวมันคงไม่พอแล้วถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนสติปัฏฐานเป็นสติสัมโพชฌงเปลี่ยนได้ยังไงเพราะในสติปัฏฐานนั้นมันเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสนาอย่างละครึง่งเพราะอะไรกายกับเวทนาเป็นสมถะใช่หมจิตกับอารมณ์เป็นวิปัสนามันอย่างละครึง่ง ทีนี้ถ้าเราศึกษาอย่างถูกต้องพบอาจารย์ที่มีประสบการณ์ดีก็จะบอกเราว่าถ้าคุณเจริญสติคุณต้องเน้นสัมปชัญญะถ้าคุณไปเน้นสมาธิมากกว่าสติปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นสมถะถ้าคุณไปเน้นสัมปชัญญะตัวสัมปชัญญะจะทําให้เกิดตัวปัญญาตัวปัญญาไปเริ่มสติเปลี่ยนตัวสติใหม่เป็นสติสัมพชทธชงคือสติเพื่อการตื่นรู้ไม่ใช่สติเพื่อการบรรคับจิตให้สงบสัมพุทธชงแปลว่าตื่นรู้ใช่ไหม สติที่เป็นเพื่ อ, อการตื่นรู้คือสติสัมปชัญญะสติเป็นเพื่อสงบระ ง, งับแล้วไปสู่ฌานอะไรที่ลึกลงไปเป็นสติที่นําไปสู่สมาธิซึ่งจะไม่เกิดการตื่นรู้จะไม่เป็นสัมพจน์ชงเพราะฉะนั้นตัวโพชนชงเจ็ดจึงแยกเป็นวิปัสนาโดยตรงแต่สติปัฏฐานสี่เป็นวิปัสนาครึ่งหนึ่งเป็นสมรถรคครึ่งหนึ่งแต่โพชนชงเจ็ดเป็นวิปัสนาล้วนๆเพะนั้นเรามาเจริญสตินี่คือเรามาเจริญพจนชงเจ็ด เป็นส่วนใหญ่เพราะสมถะกับวิปัสนาอย่างละครึ่งเราทํามาเยอะแล้วบางคนนะในฐานะพวกเราเป็นวิทยากรต้องเข้าใจเรื่องนี้เมื่อสติเป็นสัมผัสชมมันก็จะต้องรู้ได้ไงว่าสติที่เป็นสัมชัสชมมันจะเกิดธรรมวิจยะเกิดการวิจัยธรรมไม่ใช่วิจารธรรมนะวิจารธรรมก็วิจัยธรรมในคนละเรื่องนะอยากถามว่าต่างกันอย่างไรเอง วิจัยกับวิจารณ์ต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมาแปลคําว่าอนุปัสนาเนี่ยกายยาบวกอนุปัสนาเป็นกาย า, น า, า อ, อนุปัสนาเราอนุปัสนาตัวนั้นมาแปลว่ามีมีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เอามาแปลว่าพิจารณาเอามายังไม่ไม่เห็นด้วยเลยนะพิจารณามันบวกคําว่าเห็นนะพิจารณาเห็นกายในกาย แต่คําว่าอนุปัสนานั่นแปลว่าตามเห็นไม่ใช่พิจารณาเห็นถ้าพิจารณาเห็นเนี่ยมันค่อนข้างเข้าสู่ลักษณะวิจารณ์ใช่ไหมคิดเอาฮะพินิษพิจารณาแต่ถ้าตามเห็นตามรู้ในสิ่งนั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงสิ่งนั้นมีอยู่จริงเราตามอยู่ขณะนี้เราหนักแต่พกนั่งวาเป็นชั่วโมงแล้วตามรู้มัน้ยตามรู้เราเห็นว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วมีการขยับปรับเปลี่ยนทั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมตามเห็นมัน แล้วได้เห็นสุขเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชัดเจนไหมเพราะนั้นคำว่าวิจัยในที่นี้ท่านไม่ใช้คำว่ารีเ e ิร์ชท่านใช้ว่าอินเฟสติเกชั่นแต่ในสติประฐานเวลาไปแปลเป็นภาษังกฤษไม่ใช้อินเฟสติเกใช้คำว่าคอนเทมเพเลชอ่อันนี้ก็ไม่ถูกอีกคอนเทมบ o n t ีคอนเทมเพลชั uh, ่นซึ่งไม่ถูก ดันใช้คำอินเฟสติกเกคือการสำรวจตรวจสอบสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็น i n v e ฟ t ติ a เกไม่ใช่ Con เทมเพ a ลตหรือ consider อะไรนะันไม่ใช่ดังนั้นจุดเนี้ยในตำรามันถึงเอาแน่นอนไม่ได้แล้วแต่ภาษาไหนเขาไปใส่แล้วก็ไปใช้ถูกๆรือผิดเราจึงมาเรียนรู้ถึงสภาว ะ, ะตัวธรรมวิจยัยเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่ถูกที่ที่ชัดระหว่างนั่งเนี้ยมันก็มีท่านสบายไม่สบายนะแล้วคุณจะเลือกอะไร เป็นคำถามใหม่ที่กอให้ความลังเลแล้วนะถ้าเลือกสุขคุณก็ไปอีกข้างหนึ่งถ้าเลือกทุกข์คุณก็มีข้างหนึ่งแกเลือกเอาสุขทุกข์พอทนได้แล้วมันจะกลายเป็นธรรมวิจชญเมื่อเราต้องวิจัยกันอย่แต่ละเวลามันจะต้องใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือใช้วิริยะสามพุทธชงเข้ามาละใช่ไหมใช้วิริยะสามพุทธชงเข้าม า, าพิจารณา ไม่ใช่พิจารณาเข้ามาทําหน้าที่สี่ประการหนึ่งเห็นว่าสิ่งนี้ทุกเกินไปให้ละหนึ่งระมัดระวังอย่าให้สุขเกินและทุกเกินอย่าให้สบายเกินไปทุกเกินไปหน้าที่ความเพียร น, นะระวังไม่ให้สุขมากเกินไปทุกมากเกินไปเพราะสุกทุกมากเกินมาเข้าสู่จิตเป็นสมุทัยระวังไม่ให้มันเกินสอง ในฐานะที่เราสติสัมญะสมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมถ้าไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เ็นตคุณระวังทุกที่มันเกิดได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่ได้มันก็จะต้องขาดต้องเกินทีนี้มันจะต้องเกินเกินเข้าไปสู่จิตเมื่อเกินแล้วต้องละอันที่สองเพียรละอันที่หนึ่งเพียรระวังเต็มความสามารถเที่ยวที่สติปัญญาเรามีอยู่แต่มันเกินความสามารถทางสติปัญญามันต้องเกินไปสู่จิตเราก็ไปตามละมันเรียกว่าผ่านใช่ไหม แล้านที่สามเราจะมาเพียนละเพี้รทำอยู่นั้นมันไม่ไหวนะต้องเป็นฝ่ายลุกบ้างอย่าเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวคือสร้างสติสัมญาให้ชัดเจนขึ้นมาแทนที่จะให้พยายามเผลอเดียเเด๋ยวเผลอเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวมันขาดมันเกินไม่ไหวต้องสร้างสติสัมญะไม่เผลอให้เพลินให้เผลอให้เพลิน น, น, น้อยที่สุดนี่เป็นฝ่ายลุกละคือเรามาทําความรู้สึกตัวให้ชัดๆเป็นภาวนา แล้วจะสามารถรักษาสภาวะตื่นรู้ให้นานสักเท่าไหร่เรียกว่าอนุลักษณะเพราะนั้นหน้าที่ของความเพียรในผู้ชมจึงทำหน้าที่สี่ประการหนึ่งระวังในส่วนที่มันจะขาดจะเกินสองเมื่อเผลอขาดเกินไปแล้วต้องละทันทีสามส่วนไหนทาให้ขาดให้เกินคือเราไม่รู้สึกเต็มที่ก็สร้างความรู้สึกตัวให้ชัดเจนเต็มที่ซะสี่พยายามประคองรักษาตัวเต็มที่เนี่ยให้นา น, าน น่ะอันนี้คือเพียนและเป็นสัมพุทธชงดังนั้นในเรื่องนี้เราจะต้องทําโดยแยียบคายโดยละเอียดโดยเฉพาะวิชาที่ผ่านมาคี่วิชาแล้วเนี่ยหนึ่งลำดับหน่อยไกรณมิตรครูบาอาจารย์สองก ร, รมิตครูบาอาจารย์คนนั้นทำให้เราเกิดปัญญาได้ไหมสามเมื่อเราเกิดปัญญาแลา้ศรัทธา เชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านเราทำของตัวเองไหมเชื่อมั่นว่าเราทำได้ถูกไม้มตามที่เราเชื่อมานะ่ยทำได้ไหมสี่มันได้สติสมยะที่จะรู้ว่าไอสิ่งที่เราทำมามันถูกหรือมันผิดเรามีการตั้งตั้งตัวใหม่ได้ไหมกลับตัวใหม่ได้ไหมห้าพิจารณาในสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะน้่เนี่ยให้ รู้ที่ไปที่มาไม่ใช่คุณเห็นแล้วคุณเชื่อเลยคุณฟังแล้วคุณเชื่อเลยคุณรู้แล้วคุณเชื่อเลยพิจารณาใครควรใจ ต, ตองโยนิโสใช่ไหมหกห้าหรือหกสี่ห้าก็ระมัดระวังในการที่จะไปเสพอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหรือรับอะไรต่างๆไม่รับอะไรต่างอะระวังหน่อยอย่าอย่าอย่าไปเผลอเข้าไปโดยระมัดระวัง ระวังรู้ได้ไงว่าดีไม่ดีรู้จักเลือกนั่นเองอันนี้ส่วนนี้ใช้ได้ส่วนนี้ใช้ไม่ได้ส่วนนี้เกินส่วนนี้ขาดเลือกให้เป็นเป็นตัวสุจริตสามแล้เลือกเออสุจริตสามรู้จักเลือกอะไรเป็นแล้วพอมาเจริญสติปัฏฐานสี่ก็รู้จักว่าวิปัสสนาควรชาอัตราส่วนเท่าไหร่สมถะควรอัตราส่วนเท่าอย่างละครึ่งเมื่อทําอย่างละครึ่งได้ถูกต้องแล้วมันก็เกิดไปสู่วิปัสสนาคือพุทชงเจดนะแล้วก็ นำไปสู่อริมักมีองแปดแล้วนำไปสู่ตัววิชาและวมีมุดสิบประการโดยรวบลัดนะเพราะเวลามีแค่นี้เนะี่ยนั้นเองในเช้าวันนี้เรามาเรียนวิชาเรื่องขาดเรื่องเกินโดยใช้หลักของวิชาสิบประการนับนี้ถูกต้องาเดี๋ยวเดี๋ยวหาหลวงพ่อมั่วนะหนึ่งอะไรการมิตรสองศรัทธา แต่ว่าปัญญานี้ไม่นับเพราะมันเป็นตัวเชื่อมเฉยๆสองศรัทธาสามสติสัมปชัญญะสี่โยนิสูมนสิการห้าอีศีสังวรหกชุจริตสามเจ็ดสีประธานสี่แปดโคชงเจ็ดเก้าอริมักภองแปดสิบวิชาและวิมุตต์อ ทั้งสิบประการเนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นหลักวิชาก็จริงแต่ว่ามันก็เอามาจากสภาวะมาเรียบเรียงให้เห็นบันไดถ้าคุณจะเอาไม้ที่กองกองไปเนี่ยจะขึ้นบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ไปจับไปติดไปต่อให้เป็นบันไดมันก็ไม่เป็นมันก็กองอยู่ตรงนั้นอะสภาวะเหมือนกับสิ่งที่มันกองอยู่ตรงนั้นแต่สมมุติน่ะเหมือนกับว่าเอาตัวสภาว ะ, ะมาเรียบเรียงให้เป็นขั้นเป็นตอนสภาวะเหมือนไม้กองอยู่ตรงเนี้มีพร้อมละ แต่อยังขึ้นบ้านไม่ได้คุณก็ต้องเอาไม้ต้นนี้มาประกอบให้เป็นบันไดขึ้นไปนี่คือตัวสมมุติว่าเป็นบันไดแต่มันก็คือกองไม้กองหนึ่งใช่ไหมนี่เราจึงเรียนต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างปริยัติและปฏิบัติไปพร้อมๆกันคุณมีไม้คุณไม่ไปทําบันไดบ้านคุณก็ไร้ประโยชน์ขึ้นไม่ได้นะคุณมีปรมรัตาแต่คุณไม่ใช่สมมุติปรมัตาคุณก็ใช้ประโยชน์ใช่ไหม เพระเราเรียนสมมติเพื่ออะไรเพื่อจะไปใช้ปรมัติษฐ์ให้มันเหมาะสมมาอยู่ในโลกกับเขาได้อย่างสบายไม่ทุกนั่นเองนะเพราะคุณอุทนาสาธุในความตั้งใจที่เรียนรู้ตนเองอเรียนรู้กายรู้ใจตนเองให้ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่เสมอจนกระทั่งจิตของเราอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือรูปเหนือนามด้วยการทุกข์ทุก ท, ท่านเืินสาธุ